ทวนนักคาถามจากคาถามที่ว่าอาศัยมโนโกธรรมะเกิดมโนโวิญญาณความประชุมของธรรมสามประการเป็นผัสสะเพระาะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาแต่ถ้าตามตามเนื้อหาที่เรากำลังดูในหน้า219นี่หมายถึงว่ามโนควรรู้ยิ่งธรรมะควรรู้ยิ่งมโนวิญญาณควรรู้ยิ่งมโนสัมผัสควรรู้ยิ่ง แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุก ข, ขมสุขเวทนาที่มีโมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรรู้ยิ่งคําว่า ม, มโนมโนนั้นเป็นชื่อของผวังขจิตที่เป็นไปด้วยกับการรับอารมณ์อันนี้ก็หมายถึงอาวัชนะนั่นเองหมายถึงว่าผวังกับอาวัชนะผวังกับอาวัชนะเรียกว่าโมโนในในโมโนทวารวิถี คำว่ามโนนั้นหมายถึงพวังกับอาวัชนะส่วนธรรมรมธรรมรมได้แก่ธรรมรมสิบสองประเภทหนึ่งจิตสองเจตสิกสุขุมรูปเนี่ยนะจิตนี่นับหนึ่งเวทนาสามสุขุมมรูปเขามีการแบ่งเขามีการแบ่งนะเดี๋ยวพอเรียนถึงจะเอามากล่าวว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างอีกครั้งหนึ่งไอ้สิบสองเนี่ยหมายมาจากตัวเลขอะไรแต่ไม่ใช่ตามเชิองอัดนะ อันนี้หมายถึงธรรมารมณ์หรือมโนครับตัวธรรมะตัวธรรมะนะครับแต่ตัวมโนเนี่ยสับอยู่แค่ภวังกอาอวัชนะในมโนทวารวิถีส่วนมโนวิญญาณมโนวิญญาณก็คือชวนาจิตชาวนะจิตทั้งหลายไม่ชาวนะจิตในมโนทวารวิถีนีถ้าชาวนะจิตในปัญจทวารวิถีเนี่ยคำว่าเวทนาเนี่ยอมไปถึง อมไปถึงชาวนะในปัญจทวารวิถีทั้งหมดเลยคั้งก่อนน่นเลยนะเพราะฉะนั้นคำว่ามโนวิญญาณตรงนี้ก็ได้แก่ชวนาเรียกว่าทั้งการชาวนาทั้งมหคตัตนั่นแหละอมไปถึงนู่นหมดเลยส่วนมโนสัมผัสก็คือพัสสะที่เกิดร่วมกับมโนวิญญาณนี่แนะก็คือพัสสะในชาวนะส่วนมโนสัมผัสที่เป็นปัจจัยแก่เวทนานี่หมายถึงว่า ได้สัมปยุตตปัจจัยภาษะที่เป็นปัจจัยแก่เวทนาเช่นในชาวนาดวงที่หนึ่งเนี่ยนะภาษะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเจตสิกที่เกิดร่วมกันเนี่ยได้เจ็ดปัจจัยเจ็ดปัจจัยคืออะไรก็เปิดไปหน้าสองร้อยสิบเจ็ดนี่ยจะเห็นชัดคือสหชาตปัจจัยอัญญมัญญาปัจจัยนิสยปัจจัยวิปากาปัจจัยอาหารปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยอัตถิปัจจัย เอาวิคตตปัจจัยแต่ว่าเอาวิบากออกไปใช่ไหมแปดแปดตรงนี้หักวิบากออกไปก็เหลือเจ็ดเพราะว่าภาษะตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ในชาวณนะเมื่อชาววิบากจิตธรรมดาเนี่ยไม่ทำชาวณกิจส่วนภาษะที่เป็นปัจจัยแก่เวทนาในดวงถัดไปเช่นภาษะใน ชาวนะดวงที่หนึ่งเป็นปัจจัยแก่เวทนาในดวงที่สองก็ด้วยอํา น, นาจอนันตรปัจจัยเป็นต้นเป็นปัจจัยแก่อย่างชาวนะดวงที่หนึ่งเป็นปัจจัยแก่เวทนาในดวงที่สามเป็นต้นไปก็เป็นอุปนิสยปัจจัยคือปกตูปนิสยปัจจัยอันนี้หมายถึงมนุมนษย์มโนวิญญาณในชวนะในทวารมนษทวานระนะครับเฉินทอเน้นมนษทวารอย่างเดียวเอ้ในฉัชฉักระสูตรนี่มโนวิญญาณจะเป็น เป็นแสดงว่าเป็นวิบากมาโนโวินมโนธรรมะแล้วก็มโนวิญญาณมาโนวิญญาณตัวนั้นเน้นวิบาก ค, ครับแต่ในตรงนี้จะเน้นโชดาะนะคะคือบางทีก็คนละในกันอย่างบางแห่งก็หมายถึงผัสสะที่เกิดร่วมกับภวังเลยซ้ำไปเยวเนี่ยหมายถึงผัสสะที่เกิดร่วมกับภวังตรงเนี้เป็นที่เรียกว่าเป็นเทศนาวิราชหมายถึงการยักย้ายเทศนาตามตามผู้ฝังนั้นนั้น เพราะนั้งจริงๆแล้วถามว่าโดยวัตถุประสงค์เนี่ยต้องการอะไรต้องการให้ทำปริญญาในภวังต้องการให้เอาอาวัชนะมาทำปริญญาต้องการให้เอาชวนะมาทำปริญญานี่คือวัตถุประสงค์ของคำสอนะนะที่ที่ที่สอนทั้งหมดเนี่ยคือต้องต้องรู้ว่าภวังเนี่ยไปยังไงมายังไงแล้วภวังเนี่ยเป็นปัจจัยแก่อาวัชนะอย่างไงและอาวัชนะเป็นปัจจัยแก่ชาวนะอย่างไร แล้วชาวนะดวงที่หนึ่งเป็นปัจจัยแก่ชาวนะดวงที่สองอย่างไงแล้วชาวนะดวงที่หนึ่งเป็นปัจจัยแก่ดวงที่สามอย่างไรอตรงนี้เพื่อจะละนิจวิปลาสเพื่อเพื่อละความสําคัญว่าที่ยังเป็นต้นแต่ว่าความรู้ในปัจจัยเนี่ยสําคัญที่สุดเห็นไหมเพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าชาวนะทั้งหลายเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล ถ้าชาวนะเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยรู้ได้ยังไงก็รู้ตรงที่ว่าอาวัชนะเนี่ยนึกถึงอารมณ์นั้นในแง่ไหนถ้านึกในแง่ไม่ไม่แยบคายชาวนะเป็นอกุศลท่านชาวนะเอออาวัชนะโดยแยบคายก็เป็นกุศลนะนะเจตนาที่คิดจะให้นะมันจะต้องให้ตั้งแต่อาวัชนะมาแล้วนั่นแหละถ้าอาวัชนะไม่น้อมไปจะให้นะชาวนาให้ไม่ได้ ชาวนะจึงสําคัญแม้แต่ศีลก็เหมือนกันนะถ้าอาวชนะไม่น้อมไปจะวิรัตนะชาวนะก็ไม่ไม่วิรัต อ, อาวชนะในที่นี้ท่นหมายถึงว่าวิถีอาวัชนะรวมทั้งโชนะก่อนๆที่คิดถึงหรือว่าอา ว, อาวชนะประเภทเดียวครับออไม่มีใครคิดเรื่องใดแค่แวบเดียวในในแต่และความคิดนะที่เราคิดหนึ่งเรื่องเนี่ยไม่ใช่เกิดหนึ่งวิถี มันมีมากแล้วเพิ่นเพราะบางเรื่องเราคิดอยู่เป็นนาทีอย่างเงี้ยแต่ว่าไปยกความสําคัญให้อวัชนะเลครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีชาวนะแล้วเถอะเถอะเถอะเถอหัวขบวนเป็นหลักถ้าหัวขบวนพาไปคดนะท้ายคดด้วยถ้าหัวถ้วนาอาวัชนะน้อมไปเพื่อจะน้อมไปตามวิปลาสถ้าอาวัชนะน้อมไปตามวิปลาสชาวนะจะวิปลาส ด, ด้วยอำนาจโลภะเป็น แต่ถ้าชาวนาถ้าอาวัชนะน้อมไปเป็นศรรีลมันก็เป็นศีลถ้าอาวัชนะนั้นน่ะ น, น้อมไปหาสมถะก็เป็นสมถะน้อมไปเป็นวิปัสนาเนี่ยก็เป็นวิปัสนาเดั้นท่านจึงบอกว่าเมื่อนึกก็เรียกว่าสิกขาก็คือนึกถึงสิกขานั่นแหละเพรนั้นขณะที่นึกถึงสิกขาก็เป็นสิกขาท่านเมื่อนึกเมื่อรู้เมื่อเห็นเนี่ยนะเมื่อนึกแล้วจะรู้ชาวนะจึงจะรู้ยังอาวัชนะนึกก่อนเมื่อรู้แล้วปัญญาก็จะเห็นตาม เมื่อเห็นแล้วจึงสิ่งที่เห็นบ่อยๆจริงได้พิจารณาเมื่อพิจารณาก็อธิษฐานให้ศิกขาเนี่ยเกิดมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิษฐานจิตเพราะฉะนั้นที่เหลือก็น้อมไปด้วยศรัทธาประคองความเพียรตั้งสติมั่นนะตั้งจิตมั่นแล้วก็รู้ชัดด้วยปัญญารู้ยิง่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเป็นต้นของคําอันนี้คืออัดของคําว่าศิกขาเนี่ยนะนั้นตัวอาวัชนะเนี่ยถามว่าสําคัญที่สุดอย่างเราเรียนธรรมะ ม, มาเยอะนะ มันอยู่ที่ว่าเรานึกหรือไม่เรียนเรื่องอผมคนเล็บฟันหนังผมมีกี่รูปอะไรเป็นต้นเนี่ยก็เรียนมาจําได้แต่ว่าจะรู้หรือไม่รู้มีอยู่ที่นึกอ่ะเห็นผมแล้วไม่นึกถึงคําสอนเหล่านี้สักทีมันจะเป็นไปได้ยังไงงั้นก็เลยยกให้อาวัชชนะเป็นหลักอยู่ที่การนึกเป็นหลักแต่การจะนึกด้วยอาวัชชนะอันนั้นเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจยัยก็มีศรัทธาเป็นต้นก่อนหน้านั้นเป็นปัจจยัยก็คือชาวนะก่อนนั้นนั้นแหละเป็นปัจจยัย คือการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะไม่ได้มีความบรบริบูรณ์ในดวงเดียวแต่เป็นการอะไรเป็นการฝึกเป็นทักษะเนี่ยนะที่สะสมครั้งแล้วครั้งเล่าจนมีความชำนาญอย่างแท้จริงแต่ถ้าขณะจิตเดียวนี่ต้องเป็นขณะอริยมรรคอย่างเดียว ท, ที่เรียกว่าบริบูรณ์แล้วนะใครควรจนบริบูรณ์แม้แต่ปัญญาที่ที่พิจารณาอะไรก็ตามเนี่ยนะสำคัญจริงๆแล้ววิปัสสนาก็อยู่ที่วิตก ถ้าวิตกไม่เกิดวิปัสนาเกิดไม่ได้ก็เหมือนกับเราอ่านหนังสือเนี่ยใช้ตาพลิกหนังสือได้ไหมใช้เปลือกตาในพลิกหนังสือได้ไมันอยู่ที่มือพลิกอะ่ะจะตาจะอ่านหน้าไหนก็อยู่ที่มือพลิกชั้นใดก็ดีถ้าวิตกตรึกถึงเรื่องใดบ่อยๆปัญญาจะพิจารณาเรื่องนั้นเพระนั้นทีนี้ไอวิตกตัวนั้นขาวว่าเกิด ร, ร่วมกับจิต ด, ดวงไหนก็วิตกเนี่ยเกิด ร, ร่วมตั้งแต่มโนทวาราวัชนะแล้วเห็น ไ, ไหม นิต ก, ก็เกิดร่วมกับมโนทวาราวัชนะด้วยพรานอาวัชนะเนี่ยมันชาติกิริยาเพราะมันเป็นชาติกิริยาเนี่ยจึงฝึกได้ถ้าเป็นวิตกถ้าเป็นมโนทวาราวัชนะถ้าเป็นชาติอื่นที่ไม่ใช่กิริยานะปัญหาวัตตะแก้ไม่ได้เพราะที่วัตะมันแก้ได้ตรงที่อยู่ที่ ท, ที่ตรงหัวนั่นะวิถีเนี่ยนะอยู่ที่อาวัชนะแล้วแต่จะน้อมไปนึกน้อมไปนึกให้เป็นอะไรก็ได้ น้อมไปนึกให้เป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้เพราะฉะนั้นมโนทวาราวัชนะเนี่ยมีเป็นบทบาทที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะขีดความสามารถของมโนทวาราวัชนะเนี่ยเท่าสัพพัญยุตยานเพราะเกิดก่อนสัพพัญยุตยานสำหรับเวทนานี่ยังปรากฏแล้วก็พิจารณาใส่ใจได้นะครับแต่ว่าสำหรับภาษานะครับภาษานี่ จะให้เข้าใจเหมือนอย่างเวทนาหรือว่าชีวิตอินทรีย์นี่ให้พระคุณเจ้าช่วยอธิบายคือภาษาเนี่ยเรียกว่าเป็นความประชุมพร้อมของของวัตถุวิญญาณอารมณ์เมื่อได้รับเรียกว่าวัตถุวิญญาณอารมณ์เนี่ยนะสามอย่างเมื่อประชุมกันอย่างนี้เมื่อไหร่เรียกว่าภาษาเนี่ยนะนี่ภาษะหลักๆที่ที่พระองค์แสดงก็คือภาษะที่เกิดกับจกักรวิญญาณ พัสสะที่เกิดร่วมกับโสตะวิญญาณพัสสะที่เกิดร่วมกับคานวิญญาณเป็นต้นเลยนะเพฉะั้นขณะที่พัสสะขณะไหนก็คือขณะที่มีตามีสีขณะเห็นนเมื่อมีองค์ประชุมสามอย่างขณะนั้นเรียกว่ามีผัสสะเอาเอาเอาเอ า, เอาสัมผัสทางทาวารหกเป็นเกณฑ์นี่นะเธอท่านเปรียบเทียบอุปมาเหมือนว่าแม่โคหนังกรอกนี่นะอันนี้ก็ชัดอ่ะ ที่ที่เปรียบเทียบอุปมาหรืออีกนายหนึ่งก็บอกว่าเหมือนแพะชนกันแปลว่าเมื่อวัตถุ ก, กับอารมณ์มันเสียดสีกันในลักษณะนั้นแต่ทีนี้ภาษาถ้าถ้าแบ่งเนี้ยก็แบ่งเป็นสองกลุ่มปฏิฆาสัมผัสกับอธิวจนะสัมผัสภาษาในปัญจทวาร น, นี้เป็นปฏิฆาสัมผัสภาษาในมโนทวารเป็นอธิวจนะสัมผัสอธิวจนะมันเหมือนกับสัมผัสแค่ชื่ออะเหมือนกับนึกแค่ชื่อเฉย ถ้าเรารู้เวทนาจริงเราต้องรู้ภาษะสมมุติถ้าเราอยูโยงุดหงิดขึ้นมานะถ้าเป็นคนรอบรู้เวทนาจริงๆอ่ะ ง, งุดเหงิดเพราะอะไรอันนะี้เพราะเพราะเรื่องนี้มันเป็นการเจริญปัญญาคําว่าปรากฏเนี่ยนะถถ้าเทียบ ว, ว่าภาษะกับเวทนาเ น, น, นี่ยอันไหนหยาบกว่ากันบอกเวทนานี่หยาบกว่าแต่ถ้ารู้เวทนาจริงมันจะรู้ไปถึงภาษะเวทนานี้มีภาษะเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะว่าเวทนาเนี่ยมีภาษาเป็นปัจจัยหรือว่าภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานั้นแม้กระทั่งความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นเช่นเราดีใจปั๊บเนี่ยต้องรู้ด้วยภวารไหนภวารไหนมามาจากภวารไหนถ้ามาจากภวารไหนปั๊บจะรู้อารมณ์ด้วยแล้วมันประชุมกันขณะไหนทำไมจึงดีใจอันผู้ที่ทําปริญญาในเวทนาจริงๆจะรอบรู้มากจริงๆแล้วคนที่ที่ทําปริญญาในเวทนาคือคนที่รอบรู้ในเรื่องรูปเป็นอย่างดี เพราะว่าปุถุชนทั้งหลายทั่วไปเนี่ยไม่ดีใจเกินเรื่องรูปหรอกดีใจเพราะเกี่ยวกับรูปนั่นแหละดีใจใับรูปรูปก็พ้นมหาพูดที่ไหนแหละถ้ามหาพูดเป็นอิทธารมก็ดีใจถ้ามหาพูดเป็นอนิถารมก็เสียใจแม้กระทั่งการวิเคราะห์สีทั้งหลายถ้าไม่รู้มหาพูดเป็นอย่างดีเนะ่เรียกว่ารู้สีไม่ได้เพราะสีทั้งหลายมันจะเป็นสีเขียวหรือเป็นสีเหลืองเป็นสีดําสีแดงอยู่ที่มหาพูด อย่างสมมติว่าผิวหนังของเราทําไมมันออกเป็นผื่นขึ้นแดงเลยนะอันนั้นหมายถึงมหาพูทตัวไหนเล่นงานมากเตโชธาตมันกำเริบแต่ถ้าดูเห็นตับหยาบ ก, กระด้างเลยนะตัวไหนกำเริบรู้ไหมก็ธาตุดินแต่รู้ละทําไมเน่าเลยอะ่ะนาโปธาต์กำเริบเพราะจะรู้สีจริงๆอะ่ะจะต้องรู้มหาพูทสีไม่ได้เป็นปัจจัยแก่มหาพูทนะแต่มหาพูทเป็นปัจจัยแก่ แต่สีมันจะรู้เรื่องสีดีอยู่ที่รู้มหาพูดพวกเวทนาทั้งหลายก็เหมือนกันนะถ้าผู้ที่รอบรู้เวทนาจริงๆจะรู้จะรู้ภาษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาทีเวทนาไอภาษาคืออะไรภาษาคือการประชุมของวัตถุ ก, กับอารมณ์ก็คือรูปอีกนั่นแหละแม้แต่ในมโนวิญญาณก็เหมือนกันนะความคิดที่เราเกิดขึ้นหนึ่งถ้าไม่มีหัตยะในปัญจโวการะพบอ่ะเนี่พูดง่า ย, ายๆว่าถ้าไม่มีกายเนี่ยความคิดจะมีได้ไหม